ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงคำจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้จะเป็นการพูดเรื่องการมาสูตรอีกเช่นเคยแต่ว่าเป็นสูตรที่สองท่านใช้คำว่าทุติยะการมาสูตรเป็นการประรบเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีอีกเช่นเคย ข้อความตอนต้นก็มีลักษณะดังกล่าวแล้วหรือพฤติกรรมของคนในกรุงสาวัตถีส่วนมากท่านบอกว่าเป็นผู้คล่องแล้วในกามเกินเวลาเป็นผู้กำหนัดแล้วยินดีแล้วรักใคร่แล้วหมกมุ่นแล้วผัวพันแล้วมืดมนแล้วจนถึงกับมัวเมาในกามทั้งหลาย ก็พระไปบินทบาทตอนเช้าลงเจอญาติโยมโซสัสโซเซออกมาจากแกลงเรืองลมก็นมากราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบข้อความเป็นเช่นเดียวกับพระสูตรที่กล่าไว้ในวันก่อนแต่ว่าพระพุมธมีพระเจ้าทรงเปร่งพุตุทานแตกต่างกัน ได้รับสั่งว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มืดมนเพราะกรรมหมายความว่กรรมนะ่นเป็นเหตุให้มืดมนมืดมนเพราะคำว่ากรรมในที่นี้ก็หมายถึงพวกกิเลสกรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของของบุคคลแต่ละคนกิเลสกรรมก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้จิตมันใคร่ ก็เราเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปเป็นนั้นมากชื่อที่แตกต่างเป็นลักษณะของความเข้มข้นบางครั้งก็เบาๆเช่นรัติแปลว่าความยินดีสันทะแปลว่าความพอใจแล้วก็เปมาแปลว่าความรักอันนี้รู้สึกจะนิ่มนวลหน่อยนะไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรทั้งไรและความรู้สึกเหล่านี้มีมีมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นการมราคะเป็นความกำหนัดด้วยอำนาจของความใครหมายความเป็นความรู้สึกที่จะเอาวัตถุเหล่านั้นเน่ที่ตนสัมผัสเนี่ยมาตอบสนองความต้องการของตนเริ่มแสดงความย็งแก่ตัวคือกิเลสประเภทนี้ที่ยิงสังเกตง่ายนะฮะคือ พอเกยเข้มข้นสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ ย, ยจะเห็นแก่ตัวเองมากขึ้นเท่านั้นพนพฤติกรรมที่มันรุนแรงโดยไม่น่าเชื่อว่ามีการประพฤติมีการกระทำกันในหมู่คนจนการจุดฆาตอาจารย์ข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยมันเป็นอาการกิเลสที่มันแรงเป็นกรรมราคาที่จัดแล้วก็ควบคุมไว้ไม่ได้ มุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองคือบำบัดความใครซึ่งเกิดขึ้นภายในใจตัวเองคนอื่นจะเสียหายประสบความเดือดร้อนสูญเสียอะไรนี่ไม่คิดละพวกนี้เป็นความรุนแรงที่เรียกว่าระดับจิตมันตกไปจนเนากตัวอย่างเอาสัตว์มาเชียบเคียงไม่ได้ เพราะพฤติกรรมของสัตว์เดรัจฉานาในลักษณะนั้นมันไม่มีแต่ว่าในหมูคม่คนมีนั่นแสดงถึงความเข้มข้นของกิเลสกามที่มีอยู่ภายในใจแต่เราเทียบไฟแล้วก็คือชัดอนะไฟที่เราเกิดคุมไม่ได้ไมันเกิดระเบิดขึ้นมาเช่นแก๊สระเบิดอะไรระเบิดเนี่ยมัเราคุมไม่ได้หรือแม้แต่ไฟป่า เกิดุกลามไหมอย่างรุนแรงเนี่ยเราคุมไม่ได้มันจะมีการล้างผลาญเบ็ดบียนทําลายออกมาแรงแต่ว่าตรงนี้ที่จริงก็ไม่ได้เน้นในแนวแรงเป็นการเน้นในแนวระดับของพวกอบายามุกทั้งหลายเนี่ยเพราะเราจะเห็นว่าแนวอบายามุกทั้งหมดให้ลองสังเกตดูเถอะมันเป็นพวกวัตถุกรรม น, นักเลงหญิงนักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติขั้นทาการงานเที่ยวกลางคืนตื่นการลเล่นต่งตางๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุการมแต่นั้นเมื่อกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจเนี่ยไปตีค่าไปประเมินค่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตใจก็จะเกิดกําหนดด้วยอํานาจของความกําหนัด คือความรักใคร่พอใจพอกำ น, นัด ก, ก็ยินดีพอยินดีก็รักใคร่พอรักใคร่ก็หมกมุ่นพอหมกมุ่นก็ผัวพันพอผัวพันเนี่ยจิตใจมันเริ่มจะมืดอ่ะยวเรียกว่ากิเลสมัน <c oughs> ก็เรียกอะไรตัณหาตาหันอยู่ใความว่าไอ้ทิศทางที่จะใช่เหตุผลเนี่ยมันใช่ยากหละแต่เราเร่องเนี่ย คนเหล่านั้นพอรู้อำนาจแก่หลวมันเป็นวูบคือกิเลสประเภทนี้ที่จริงแล้วนมันเขาเรียกว่ามีโทษน้อยแต่คลายได้ยากแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครไปขัดขวางการได้การมีการเป็นของคนเหล่านี้มันจะออกเป็นโทษสะแล้วก็จะกลายเป็นความรุนแรงเดินหนึ่งก็พร้อมที่จะทําลาย ทำลายลางขวายที่ขัดขวางหรือควายที่ตนเองมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ขัดขวางแล้วถ้าเราวิเคราะห์ดูแลจะไม่มีเหตุผลในตัวเขายกตัวอย่างเช่นคนบางคนที่ไปรักชอบปัญญาของชายอื่นแล้วต้องการจะครอบครองให้ได้ มันจนถึงกับไปฆ่าสามีเขาเพื่อแย่งพัญญามาครอบครองเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะสมัยพุทธกาลก็เคยเกิดแก่พระเจ้าประเนสนีโกศลแต่ว่าแผนแตกสะก่อนคือแผนมันไม่สำเร็จแท่นั้นเองคือถ้านไปเกิดพอพระไทยในพัญญาของชายหนุ่มคนหนึ่งตอนเสด็จเรียบพระนครโดยตามปกติเขาปิดหน้าต่าง เวลาขาบวนประชาชเสด็จนี่ปิดหน้าต่างคือไม่ให้มองดูแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเธออยากดูอ่ะเธอก็แง้มหน้าต่างแต่เธอเงยคอออกมามองเธอจปรอเปรตที่กุศลทอบประเนศเห็นแต่ไกลนะฮะใจมันบุกเข้าไปเลยคืออยากได้ผู้หญิงคนนั้นสุดๆจนเรียกว่าหมดกรจิกกระใจที่จะไประเรียบพนกรแล้วก็กลับเขาวางังวางแผนเลย บางแผนจนุดเรียกคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องการจะไปครอบครองเลยแต่ว่ามาทราบข่าวว่ามีผัดมีสามีแล้วเลยก็บางแผนและใช้แผนก็เรียกสามีเขาให้มารับราชการในวังโดยหาโอกาสที่จะฆ่าคุณชายคนนี้เขาก็ฉลาด เ, าเขารู้ตัว เราไมดระวังหาโอกาสข้าไม่ได้ทีนี้ใจมันรันจวนโหยหาอะไรจนถึงยุคหนึ่งก็วางแผนให้สามีเขาไปหาดอกบัวดอกบัวสีอรุณฮะกันดินแดงแล้วก็ น, น้้ำมันในในที่ที่ไกลมากโดยคิดว่าถ้ามาไม่ทันเ้วจะขา แล้วนายคนนี้เขาก็มีบุญนะฮะมีบุญญาโนภาพก็ช่วยประชาประเซนต์นิโคสลก็เลยไปสั่งให้ปิดประตูเมืองตั้งแต่ตอนกลางวันเพื่อแม่้ผู้ชายเราเนี่ยกลับมาทันจะค่ายได้ในสุดเรื่องมันก็ลามมาใหญ่โตนะฮะอันนี้เราจะเห็นว่าประโยคที่มีอยู่ในสังคมไทยที่ถือว่าแรงนะข้าผัวมันเสียเมียมันมานี่ถือว่าแรงมาก หรือใครยอมฆ่าอยู่ใครขวางขาดด่าตายหรือผลประโยชน์ขัดกันก็บันไลาตายเสียได้ข้างหนึ่งจึงจะดีเรื่องกิเลสประเภทโลภะประเภทตันหาเท้งนั้นพวกนี้มันก็ครอบงำจิตใจของสัตว์โลกอยู่ถ้าเราประมวลข่าวคราวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันเนี่ยในวนใดของโลกก็ได้ รเราเห็นว่าเป็นการสะท้อนอาการกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาแล้วก็มีโมหะเป็นหลักใจกลายเป็นปนัญหาเด ร, รัจฉานกลายเป็นความรุนแรงออกมาในลักษณะต่างๆพระบรุตรก็รับสั่งเอาตอนสุดท้ายนะที่ที่กขาบอกว่ามืดมนเนี่ยพัวพันแล้วก็มืดมนประมุ่นมนแล้วก็มัวเมา ผมเมาอยู่ในเรื่องเหล่านั้นเพราะงั้นก็เอาตัวช่วงที่มืดมนเนี่ยพระแสดงถึงอวิชาก็เข้มขน้นกามาราคาก็เข้มขน้นแล้วก็จะไม่เคยคิดอะไรอื่นแล้วมุ่งจะตอบสนองความต้องการของตัวเองเพียงอย่างเดียวแล้วก็ส่งเน้นย้ำว่าถูกตัณหาซึ่งเป็นหุดคายปกคลุมเอาไว้คือตัณหาเนี่ย บาลีท่านเรียกคือใช้คำว่าชาละฉันสันฉันถาแปลว่าความดาดาดความพัวพันแต่แกถูกตัหารเป็นต่งางขายครอบงำแล้วก็นำขึ้นสืบสืบไปโดยพบหมายความว่ารู้สึกมีรู้สึกเป็นนะฮะจนถึงกับบังเกิดในพบต่างๆ ฐานในที่นี้ก็เน้นไปที่กตรมฐากับภาวะฐานากรรมฐานก็คือความจิตที่มันดิ้นมันคุมไม่อยู่เคยลองสังเกตว่าถ้าถ้าเราถ้าเราเนี่ยนึกจากข้างในเนี่ยเนี่ยนึกจากข้างในถ้าไม่มีธาตุคือธา ต, ตุอยู่เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องเนี่ยนึกพันจริงมีเขาเรียกว่ากรรมธาต คือ เ, เชื่อก้องความใคร่ทีนี้พอมีเชื่อก้องความใคร่มันก็ใจก็จะเป็นเป็นเหนียวนึกคือเป็นดัมริถึงด้วยอำนาจของความใคร่มันก็กลายเป็นกา ร, รมาสังกับปะแล้วก็เกิดเป็นกา ร, รมาชั้นทะคือความพอใจในสิ่งที่ใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่ลใจก็คิดมาา พรคิดมากแล้ก็กลายเป็นเขาเรียกว่ากามาปริยสนาคือจิตจะร้อนด้วยแรงปรารถนานอนไม่หลับแล้วพวกเนี้ยต้องไปก่อนต้องไปเที่ยวก่อนแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็เป็นกามะปริยสนาเป็นกามตัญหาก่อนเป็นกามตัญหาคือจิตมันจะเริ่มดิน้นดิ้นก็จะสายเป็นกามะปริยสนาคือสาย ทีนี้ถ้าดิ้นมากเนี่ยตัณหามากมันจะคุมไม่อยู่เพราะนนพวกนี้จะไม่ค่อยคิดถึงผลกระทบที่จะได้มาขอให้ได้ก่อนเมอนที่ก็คิดแบบไปตายดาษหน้าเนี่ยแสดงว่ามันมีโมหะมีโลภะที่แรงมีตัณหาที่แรงมากดังนั้นในลักษณะเหล่านี้คือ มีตัวอย่างพระตกถาจารย์ท่านท่านยกตัวอย่างให้ฟังวา่าพระเจ้าเสด็จไปที่จากกรุงสาวชีสสเสเสด็จไปยังพระเจตวันก็ระหว่างทางในทอดประเนะเห็นปลาเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าไปสู่ใสที่พวกสาประมงเขาดักไว้ในแม่น้ำอจิรวดี ขั้นต่อมาก็ทรงเห็นลูกโคที่ยังไม่ทิ้งนมตัวหนึ่งร้องว่าโคโคติดตามแม่โคไปยิงของเข้าไปเพื่อจะดื่มนมน้อมปากเข้าไปในระหว่างขาของแม่โคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคก็อเสด็จเข้าไปยังวิหารล้างระบาททั้งสองแล้วก็ประทับนั่งก็ทรงถือเอาเรื่องเหล่านั้น มาเป็นอุปมาแล้วก็ส่งเปล่งโอทานโอทานนี้ขึ้นมาก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าอย่างที่ดักที่ดักสัตว์เนีือสัตว์สมัยก่อนมันเยอะอนะปลาปาในแม่น้ำแนะม้สมัยมาเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยยังเยอะเลยปลาเนี่ยก็เขาดักเอาไว้ก็ยังเข้าไปในกับดักเหล่านั้น เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองหรือโกโคคที่พยายามดื่มนมแม่เนี่ยที่จริงก็เจ็บปวดนะเพราะคอเข้าไปอยู่ระหว่างขาของแม่แต่ว่าก็ขอให้ได้ดื่มและเป็นการสะท้อนภาพคือหมายความว่าเป็นอาการของกิเลสที่เป็นรู ป, ปรธรรมตามปกติเราเราไม่เคยคิดไม่เคยสังเกตนะ ที่งกิเลสเนี่ยมันมันมันอาการเนี่ยมันออกมาเป็นรูปประธรรมให้เห็นดูตาก็ได้ดูพวกมคำพูดก็ได้ดูกิริยาอาการที่แสดงก็ได้เป็นได้ทั้งกิเลสเป็นทั้งธรรมะเพราะในแง่อของความเป็นจริงแล้วตัวเราก็คือตัวสะท้อนธรรมเพียงแต่ว่าสะท้อนกุศลทสะท้อนนกุศลหรือสะท้อนกัะะนกางกลางอะไรสิกล่าวว่าเป็นธรรมะล้วนๆที่มันหมุนไปแล้วก็เป็นไป เพราะนเมื่อตักตัญหานี่มันเป็นตะข่ายที่ครอบคลุปมาไว้ก็ทําให้เกิดอาการที่มืดมนขึ้นภายในจิตเรื่มนาดของกิเลสกรรมคือมองไม่เห็นในแง่ของความเป็นโทษเหมือนปลาฮุบเหยือ่อเนี่ยมองไม่เห็นในความเป็นโทษหรือว่าสัตว์ที่ไปติดกับดักอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย มีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพี่จิงก็ออกชื่อท่านก็ได้ น, นะฮะแต่มณภาพไปนานแล้วจะคุณอุบาลีคุณอุปมาจานจันศริจันโทเป็นประเทระที่โดดเด่นมากในยุคนึงเป็นนักเทศที่เรียกว่าระดับชาตินะนะแต่เนี่ยการเทศของท่านยังพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มอยู่เยอะเคยพบที่ครุสภา เออท่านไปเทศทางฝั่งลาวรา่ว่าท่านไปชาวอุบล น, นะเทศฝั่งลาวแล้วก็มีเจ้าหญิงคนหนึ่งก็เกิดชอบก็ท่านอาจจะยิตประวัติไปบ้างอะไรก็ได้นะฮะคือปรากฏว่าท่านหนีขึ้นมาอยู่ที่เชียงใหม่หนีนเข้าไปอยู่ในถ้ำ พอนั่งสมาธินีภาพของเจ้าหญิงคนนี้ปรากฏเป็นปรากฏขึ้นมาเลยเป็นนิมิตสลัดไม่หลุดต่อสู้กันหลายคืนนะฮะสลัดไม่หลุดมันคือหนึ่งคล้ายๆกับบุญบา ร, รมีไม่ช่วยหรืออะไรก็ไม่รู้นะผลมันตกแรงแล้วก็หน้าถ้ำเนี่ยมันมีลำธาร น, นะะมีลำธารไหล พูดว่าน้ําก็ไหลลงมาแล้วก็มีเสียงดังแรงมากท่านก็สงสัยก็ออกไปดูก็เจอปลาตัวใหญ่มากใหญ่ผิดปกติปลาอะไรก็ไม่รู้มาติดง่ายหนิดเดียวเองแล้วก็ดิ้นสลับตัวเองไม่หลุดเพราะท่านเห็นอย่างนั้นนึกถึงตัวเองไม่ตัวเองมาใจของท่านเนี่ยไปติดอยู่นิดเดียวมันสลับไม่หลุด ถ้าสลัดบรุลุก็จะตายเมันก็ปลาตัวนี้แล้ท่านก็ช่วยปลาเสร็จแล้วท่านก็บม่มเพ่นเพียนต่อไปภาพนี้ก็หายไปลักษณะอารมณ์ตราเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันเป็ น, เ, ปนเบ็ดที่เกีย่ยวจิตของสัตว์โลกเอาไว้ปัญหาที่จริงมันไม่มีเป็นสายเป็นเส้นเป็นอะไรหรอกมันเป็นความรู้สึกเฉยๆคือถ้าเราดับมันก็ดับตายอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ใน ในสมุทัยวานกับนิโรธวานนะครับคือทรงแสดงว่าตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นี่เมื carbono carbono carbono carbono ่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเมื่อจะดับก็ดับที่นี่ดับที่อะไรดับที่อายตนะภายในก็ได้อายตนะภายนอกก็ได้ที่วิญญาณก็ได้ที่สัมผัสก็ได้ที่เวทนาก็ได้ที่สัญญาก็ได้ที่ตัณหาเองก็ได้นะที่วิตกก็ได้ที่วิจารณ์ก็ได้ เมื่อความมันเกิดมาทางเนี้ยแล้วผ่านเข้าสู่จิตเป็นกระบวนการที่มีอยู่ในธรรมชาติพวกนี้เขาก็เป็นเรื่องธรรมชาติในชีวิตของเราเนะียเราเห็นว่าเช่นเราเห็นรูปปั๊เนี่ยจริ ง, รงๆกระบวนการทางจิตเนี่ยมันเป็นการกระทบระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกแล้วก็เกิดเป็นวิญญาณแล้วก็รวมกันทั้งอายตนะภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยกลายเป็นสัมผัสเราสัมผัสเนี่ยมันกระทบเราชอบหรือไม่ชอบ ถ้าเราชอบก็เป็นสุขเวทนาแต่เราไม่ชอบก็เป็นทุกเวทนาใจก็จะกำหนดหมายว่านี้น่าไข้น่าปรานาน่าพอใจนี้ไม่น่าไข่ไม่น่าปรานาไม่น่พอใจก็จำหมายเอาไว้แล้วก็เหนียวนึกถึงเรื่องที่เราจำหมายเอาไว้บางทีนึกเรื่องเก่าๆนะฮะที่เราลึกเรื่องเกา่าๆเลยปัหามันก็ฟูขึ้นไปในจิตก็กลายเป็นตราที่ซ่อนตราขึ้นมา ปัญหในปัจจุบันนั้นที่จริงอาศัยตัญหาในอดีตเกิดเกิดไปนึกถึงสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวนึกถึงฟงนึกถึงแฟนแอะไรสมัยหนุ่มๆสาวๆนี่ให้เราสังเกตวงที่ไปหายไปเลยย้อนหลังไม่ตั้งหลายสิบปีตายกันหมดแล้วนะที่จริงทั้งหมดเนี่ยมันเกิดแล้วในอดีตแล้วกระดับไปแล้วในอดีตแต่เราก็ไปปลุกผีขึ้นมามาปรุงคิดคิดปรุงกันด้วยประการต่างๆแล้วก็มาวิตก มาวิจารณ์เพราะแต่ละจุดเนี่ยมันเพิ่มตัณหาเมื่อเพิ่มตัณหาได้มันก็ดับตัณหาได้นะฮะเพราะเราจะให้เกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้อยากให้ลองสังเกตเราตรงนี้เราเฉยๆก็ได้คือไม่ให้เกิดตัณหาทั้งสองฝ่ายไม้เกิดการมตัณหาเพระว่าตัณหาวิเพราะวตัณหาคือเฉยๆใชไมไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสักแต่ว่า สักเทวะรูปสักเทวะเสียงสักตเทวะกลิ่นสักเทวะรสสักตเทวะสัมผัสหรือศักเทวะทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ก็สักเทวะสักเทวะอย่างที่พระเจ้าทรงสอนพระภายาธารุจิริยะก็ทรงสอนที่การกระทบนี่แหละที่เห็นก็สักเทวะเห็นได้ยินก็ศักเทวะยินได้ทราบก็สักเทวะทราบได้รู้ก็ศักเทวะรู้ให้มันตกไปจากจิตไม่ปรุงต่อไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงต่อ ทีนี้ถ้าใจมันเป็นเป็นอย่างนี้มันก็ทําไม่ได้เพราะนั้นก็ชงแสดงว่าถูกเครื่องมือคือตันหาปกปิดไว้แล้วหมายความเมื่อตาหายไอปตันหาเป็นตาข่ายตาข่ายมันมันก็คลุมเราเอาไว้แล้วปกปิดเอาไว้คือจาบใดที่ตันหายังยึดกุมจิตอยู่เนี่ยมันไปเห็นจุดบกพร่องไม่ได้หรือไม่เห็นจุดบกพร่อง เป็นตัวอย่างที่เด่นมากก็คือตัวอย่างของพระจิตตาหัตถะเคยเล่ามาก็นานพทสมควรแล้วนะคือเป็นตัวอย่างที่มันชัดพระจิตตาหัตถะนั้นติดอยู่ที่เมียคนเดียวทเทียวบตรเทียวสุตอยู่ทั้ทงหกครั้งเจ็ครั้งแล้วก็วันหนึ่งวันดีคืนดีคือบารมีมันแก่กล้าขึ้นท่านก็มองร่างของพัญญาที่นอนหลับในขณะที่ท้องแก่ นอนกลโน้วยนะฮะน้ําลายไหลออกมาต่างปากก็ยืนเพ่งพินิจพิจารณาก็ก็คนก็กลายเป็นสุแบบที่ระยาศาสเนนะแต่ที่เจ้าชายทิฏฐะเห็นเลยจะเดินวิปัสสนาก็บรรลุมรคลเป็นประโสดาบัตกลับไปบวชเที่ยวสุดท้ายก็บรรลุมรคลเป็นพระหรันแล้วก็แสดงให้เห็นว่ารูปนั้นแหละเป็นที่ตั้งของตัณหา รูปนั้นแหละเป็นที่ดับแห่งปัญหาผลสมุทัยก็เกิดจากรูปนั้นนิโรธก็เกิดมาจากรูปนั้นรูปเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นเหตุได้เกิดได้ทั้งสมุทัยแล้วเกิดทางนิโรธแล้วก็อยู่ที่จิตของเราในการมองแต่แน่นอนแหละบารมีเบื้องหลังจะต้องหนุนนะฮะถ้าบารมีไม่สนับสนุนแล้วก็มองยากเหมือนกัน นานมาแล้วเมื่อพศ 2,500 นะฮะเกินกว่า40กว่าปีมาแล้วเนี่ยได้มีภาพที่ผ่าทำเผยแพร่เป็นภาพสวยมากเป็นภาพผู้หญิงผู้ชายผ่าซีา่ยืนเกาะแขนกันผู้ชายแต่งชุดสูทผู้หญิงแต่งชุดราตรีแล้วผ่าซีกนะฮะอีกซี่หนึ่งก็เป็นกระโดดอีกซี่หนึ่งก็เป็นชุดราตรีชุดสูท แล้วก็เขียนข้อความที่เป็นพระพุทธภาษิตบาสุดท้ายในข้อที่ว่าสุชาติทั้งหลายจงมาดูโลกเนื้อการหลุดราษฎรที่พวกคนเข่าวค้องอยู่แต่พวกผู้รู้หาค้องอยู่ไหมคือนัตถิสังโกวิชานนะท่านผู้รู้หาค่องอยู่ไหมโครงการให้ให้ผู้เจริญกรรมฐานนี้เพ่งเพ่งเพื่อให้สุด ส่วนที่เป็นเป็นชุดราตรีกับส่วนที่เป็นสูตรเนี่ยมันกลายเป็นกระดูกแตใจไม่แข็งพอเป็นไปเพิ่งมาปรากฏว่าไอ้ควายที่เป็นกระดูกกลายเป็นตัวไปเลยกลายเป็นคนก็ปรุงนะฮะปรุงต่อไปเลยสบาดแตกกันเป็นแถวไงใ น, น, น, นการนั้นเพราะการการมองในลักษณะเนี้ยมองในแนวหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเมื่อน้ามันไหลลงที่ตามเนี่มันไหลง่าย แต่ว่าการทวนกระแสอารมณ์ทวนกระแสกิเลส ข, ขึ้นไปเพราะว่าสัญญาเราเนี่ยมันวิปลาสทำให้ความคิดเนี่ยวิปลาสแล้วก็ความเห็นก็วิปลาสคือมันเริ่มต้นจากการมองการมองว่ารูปสวยเสียงไพเราะ ก, กินอมรถอร่อยสัมผัสน่าจับต้องแล้วก็สะสมอยู่ในจิตสันดานนานแล้วเกิดผ่านภพชาติมานาน เชื่อพวกเราเนี่ยอยู่แย่เพราะในปัจจุบันก็สะสมกันในแนวนี้ก็มีการบอกกล่าวเขาเรียกว่าสื่อทางเดียวโดยซ้าไปนะฮะอย่างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่เอาภาพไม่สวยมาโฆษณาแล้วก็ภาพเหล่านั้นถ้าว่าตอนเด็กเขาถ่ายทํานะกับก่อนถ่ายทําที่จริงไม่ใช่เหมือนกันนะมีเจ้าหน้าที่ ตกแต่งกันด้วยวิธีการต่างๆเล็อัพกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มาถ่ายคือวหลอกกันซ้าซ้อนน่ะสะสมอยู่ในจิตสันดานการมองในแนวที่เข้าถึงความจริงจึงมองยากเพราะว่าสัญญาคือความจําหมายก็เราวิปลาสทาให้ความคิดวิปลาสทำให้ความเห็นวิปลาสเวนคาดเคลื่อนในความจริงพอคาดเคลื่อนในความจริงต้าถามก็ เ, เกิด สนามก็วิ่งไปแนวลมก็จะตันหาวิจริตคือวิ่งไปแนวลมทั้งหลายแล้วก็ในสุดก็ปกปิดเอาไว้ทูกกิเลสและเทวบุตรประมาณผูกพันไว้แล้วกิเลสเนี่ยหมายความว่ากิเลสกามทั้งหลายนะกิเลสกรรมทั้งหลายให้ลองสังเกตว่าในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเทวบุตรประมาณด้วยขึ้นมาเนื่ยมีห้า ที่เราสวดพร้อมเบนช่อม อ, อะไรละ่ะพร้อมเบนจะพิรรจารณาสุจริตวิมลสาเหตุในไร่กายก็เจนจบประจักริงก็เขาจัดมานเขาเรียกว่ามานทั้งห้าเขาจัดมานทั้งห้าทีนี้พวกพวกมานเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือ ก, กิเลสอันนี้ง่ายนะดู ง, ง่ายอย่างที่สองก็คือขันอันนี้ก็ดู ง, ง่ายอย่างที่สามคือกรรมกรรมเนี่ย ตัวบาปเป็นดูง่ายตัวบุญเป็นดูยากนะตัวบุญตั ว, ต, วตัวรูปตัวรูปปาตร์เนี่ยดูยากแต่ที่จริงมันเป็นมา น, นะฮะเป็นมานเพราะว่าบัทอรตัดรอนเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่เราเข้าสู่กระแสของภายในฐานได้แล้วก็มัจจุมานคือความตายในที่นี้ทรงเน้นไปถึงตัวมัจจุมานคือว่า นอกจากจะพูดถึงกิเลสแล้วพูดถึงเทวบุตรมารเทวบุตรมานี้ท่านเรียกว่านามุจิกันโหปมัตตบันทุเป็นชื่อของมานเพราะแม้เทวบุตรมารก็ชื่อว่าปมัตตบันทุแปล ว, ว่าเหล่ากอหรือว่าพวกพ้องหรือผู้ผูกสัตว์ไว้ด้วยความประมาทหรือความพินาศ มีฐานะเช่นเดียวกับกิเลสมาแต่ว่าในหลักความจริงเนี่ยเขาถือว่าพวกนี้เป็นบริวารนะกิเลสเนี่ยเป็นบริวารของเทวพบุตรมารเพราะฉะนั้นกา ร, รเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆเนี่ยของคนเราไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามารมารสุดท้ายที่ประจดพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงเป็นเทพบุตรมาร เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้านั้นส่งชนะมารประเภทกิเลสมารน่ประเภทกิเลสมารประเภทขันธมารเนี่ยก่อนที่จะขึ้นไปประทับบนพระแทน่นภายใต้ต้นพระสีมาโภเพราะอะไรเพราะว่าทรงทบทวนสมาบัติ8ป ดีได้ในสํานักลาดาวดบุาาก า, าลามโคตุตกาดดาบุรามาบุตรเพราะงั้นตอนขึ้นไปบนพระแท่นเนี่ยขึ้นไปในฐานะคนที่ได้สมาบัติแปดเพรา ะ, ะกิเลสสมานสงบขันธมานก็ไม่มีทุกข์อะไรนแะแต่อภิสังขารมานเองก็สงบตามไปคือบุญคือบาปเนี่โดยเฉพาะบาปที่สงบตามไปเมตดุมานมันก็ ไม่มีอะไรนะเพราะว่าสุขภาพพลานามัยของพระองค์ก็ดีวันมานที่มาพจนพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าวัดสวัสดีมานเป็นเทพบุตรจริงๆตลอดถึงตัหาราคาระจีที่มาพจนที่จริงตอนนั้นมาพจนในสัปดาห์ที่แปดนะครับพระเจ้าจตุรุผ่านไปแปดสัปดาห์แล้วที่ตลาราคาระดีมาพชนเนี่ย เพราะงั้นตัญหาราคาระตีจึ ง, เ ป, ง เ, าาเป็นทิดาของมารเรียกว่ามารติตุหรือเป็นทิดาของมารมาอาสามารผู้บิดาเนี่ยเพื่อจับพระพุทธเจ้ามาไว้ในในมือของตัวเองแล้วจะมามอบให้อยู่ภายใต้อำนาจของมารผู้บิดา มันบิดาก็ห้ามนะฮะที่จริงว่าไม่มีใครสามารถทำได้หรอกพะการใครไปพระจนพจรพระพุทธเจ้าตอนนี้มันเหมือนกันมันเหมือนกับเด็กที่เอาเอาก้านบัวไปทุบผูเขาก้านบัวก็พังนะมือไวเจ็บผูเขาไม่เป็นอะไร พระเทอปุตตมานเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝังใบแล้วก็เป็นประสบการณ์ดิท่านที่เจริญกรรมฐานอยู่ในป่าในดงแต่ท่านบําเพ็ญเพียรได้เรื่องเนีเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยเทวปุตตมาเป็นเรื่องปกตินะคือจะเจอเป็นปกติธรรมดาแต่ว่าคนที่พูดส่วนใหญ่เนี่ยเวลานี้ชอบใช้คําว่าเป็นความเชื่อถือส่วนตัวผูกฟางอยต้องพิจารณามันไม่ใช่เรื่องความเชื่อมันเป็นประสบการณ์ ความจริงเป็นประสบการณ์ไม่ใช่เรื่องความเชื่อเดีต๋ต้องแยกใครออกนะฮะความเชื่อคือเรื่องหนึ่งประสบการณ์ตรงในเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นสัมผัสตรงอะ่ะอย่างท่านบอกว่าเกลือเค็มเนี่ยมันเป็นสัมผัสตรงไม่ใช่ความเชื่อแล้วใครก็ตามที่ไปได้ชิมเกลือมามันก็รู้ว่าเกลือเค็มไม่ใช่ว่าเราเหมาเป็นความเชื่อไปหมดประการต่อไปก็รับสั่งว่า เมื่อถูกกิเลสและเทปุตมานผูกพันไว้แล้วย่อมไปสู่ชราและมรณะคือถึงมันก็เวียนว่าใจเกิดอะเพราะไรเพราะว่าพวกนี้ถ้าเรามองในแนวของปฏิจจสมุปบาทเราะเห็นว่าเฉพาะตัดตอนตรงนี้นะฮะตัดตอนตรงนี้หมายความว่าคนเหล่านั้นไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องอบายมุขทั้งหลายเนี่ย กิเลสมันก็ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็เข้าสู่จิตแล้วก็ไหลไปสู่อํานาจของกิเลสแล้วแกสนุกนะฮะแต่แกคิดว่าสุขมันก็คิดว่าสุขกับเวทนาเพราะมันก็เกิดตัณหาคืออยากได้ไปเรื่อยๆอยากได้อยากฟังแกรู้ ม, มันก็ติดคนเป็นจํานวนมากที่ถ้าไม่ได้เที่ยวแล้วนอนไม่หลับ แล้วบางคนก็เที่ยวคนเดียวก็ไม่พอก็ไปโทรศัพท์เรียกคนอื่นบางทีจนถึงไปประกอบอัจฉริกรรมเพื่อให้ได้เที่ยวเพราะในในที่สุดใจมันจะไหลไปสู่กระแสของของกิเลสมันก็กลายเป็นอุปท า, านคือยึดพอยึดแล้วมันก็กลายเป็นภพคือเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นบุญเป็นบาปขึ้นภายในใจก็เ ร, เรียกว่าสังขารภพ แล้วนําไปสู่การเกิดนะฮะตาแล้วก็เกิดต่อเพราะฉะนั้นก็บอกว่าย่อมนําย่อมไปสู่ชาราและมรณะชะล า, า, ามรณะที่จริงเป็นผลนะคือจะพูดว่าไปสู่ความเกิดก็ได้แต่ตอนนี้ส่งใช้กับมาชาราและมรณะมันจะต้องเข้าใจว่าถ้าชารามรณะนี่มันมาจากเกิดทีนี้เกิดเนี่ยมาจากกรรมกรรมมันมาจากกิเลสก็ต้องย้อนกลับต้องย้อนกลับว่ากิเลสมาเนี่ย เป็นตัวสร้างขึ้นมาให้เป็นกรรมแล้วกรรมก็สองอย่างเนี่ยทั้งกิเลกับกรรมก็นําไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็นําไปสู่นามรูปก็นําไปสู่ไปกันเรื่อยในกระบวนการของการเกิดเนี่ยทรงอุปมามว่าเหมือนปลาในปากใสเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมไปตามแม่ฉะนั้นอันนี้ก็อุปมาอุปมาเทียบเคียงก็ขึ้นอยู่นะฮะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับกลุ่มกลุ่มผู้ฟังในขณะนั้นว่าจะเข้าใจได้หรืออุปมาอะไรตรงนี้แสดงให้เห็นว่าภิกษุก็เห็นปลาที่ติดใสเห็นลูกโคที่ไล่ตามไปดื่มนมจากแม่ม้นก็เบริงอุปมามันก็เข้าใจง่ายแต่อย่าลืมว่าแนวของอุทานเนี่ยไม่ใช่แนวเทศอร จะเป็นการแนวแสดงสถานการณ์เหล่านั้นสืบสาวไปสู่เหตุแล้วก็สู่ผลตามต้งกงควรแก่กรณีของเรื่องเหล่านั้นตัวนี้เราสังเกตว่าแสดงเรื่องสมุทัยศัสตร์กระทุกศาสตร์มันเป็นปฏิจจสมบัติ ส, สายเกิดในเรื่องสายเกิดมีข้อหนึ่งที่ส่งแสดงว่าย่อมทาผู้ มืดมนให้มืดมนแม้ความกิเลสประเภทเนี่ยมันจะมืดมนอะไรเกิดอ่ะโลภะเกิดก็มืดมนราคะเกิดก็มืดมนโทสะเกิดก็มืดมนยิ่งโมหะแล้วก็เลิกพูดเลยยิ่งมืดใจเลยไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมเข้าใจเหตุผลอะไรได้รับสั่งแสดงไว้ว่า ความโลภเนี่ยคนโลภไม่ใช่ความโลภคือคนโลภเนี่ยจะไม่รู้อัด จ, จะไม่รู้ทำคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมใครก็ตามที่ถูกความโลภครอบงำใจเนี่ยในขณะนั้นนี่พูดไม่รู้เรื่องอย่างที่รัชกาลที่หกทรงมีผลเอาไว้ ที่บอกว่าคว า, ความรักความรักเหมือนโรคามันดันตายมืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคหน้าใดๆความรักเหมือนโคถึด ก, กำมังคึกขี้ขังไว้ก็จะออกจากข้อไปวบยอมอยู่นะที่ขังอันนี้คืออะไรคือโลภะคือตัณหาคือราคะคนจะมืดบอดไม่มีเหตุผลบางทีผิดหวังในความรักค่าตัวตายอย่างเงี้ย หรือว่าค่าคนที่ไม่ตอบสนองความต้องการเราตายเนี่ยมันเป็นอาการของโลภโศสะแล้วก็มีโมหะอยู่เบื้องหลังตัวเองจะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกเป็นนัเนกันนะั้นดังนั้นความโลภจึงถือว่าเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายความโลภเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยปูจ้ากันไม่รู้เรื่องไง น, นะะ เราเห็นว่าเรื่องมังเรื่องมันก็เห็นกันอยู่แต่ว่าเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันยังอื่นมันเกิดด้วยนะคือพวกทิชฉีพวกมานะพวกอ ะ, อะไรต่างๆนะั่นมันเกิดด้วยแล้วกลายเป็นว่าเราถอยไม่ได้อีกแล้วนะเราลองดูวปัญหาที่เกิดขึ้นที่อิรักเนี่ยถ้าไม่เริ่มต้นด้วยการบุกคูเวดเนี่ยปัญหามันไม่ยืดเยื้อมาขนาดนี้ แล้วถ้าเราวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้ที่จริงมันเกิ ด, ด้วยโลภะของบุคคลทุ ก, กดดทุกฝ่ายนะ่แะเกิด้วยโลภะของบุคคลทุกฝ่ายส่วนโทสะที่จริงมันค่อนข้างแถมนะฮะมันขัดแย้งผลประโยชน์มันมาจากโลภะคือโลภะถ้ามีการตอบสนองจะโลภะต่อโลภะที่ไม่มีการตอบสนองมันจะเกิดโศกหรือว่าเกิดโทสะเกิดโศกหรือว่าเกิด เกิดโทสะหมายความว่าถ้าอยู่ในวิสัยที่เราจะโต้ตอบได้มัจะเกิดโทสะแต่มื่สุดวิสัยแม่อาจจะแก้ไขได้ไม่อาจจะโต้ตอบได้ก็โสกะคือเศร้าโศกก็สรุปว่าไม่เวียงไปทางทุกขก็สมุทัยแหละเพราะอะไรเพราะมันเริ่มต้นที่สมุทยัยพอสมุทัยก็ก็จะเวี่ยงไปที่ทุกข์หรสมุทยัย แนวตัวนี้เป็นแนวที่ที่ควรแก่การระมัดระวังต้องพยายามมองให้เห็นโทษของความโลภว่าเรื่องบางบางอย่างเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียหรอกแต่ว่าคนก็มักใจะใช้ความโลภนํานแสดงว่าโลภโพ ธ, ธรร ม, มนังบริปัญโธความโลภเป็นอันตรายของทุกกรนีเลยอะไรก็ตามถ้าคุณเอาความโลภนําเข้าไปเนี่ย จะเกิดเป็นความขัดแยง้งแล้วก็ต่อสู้ห้าหันประหาดประหารกันแล้วก็ไม่ไ ด, ดูถึงเหตุถึงผลอะไรเพรา ะ, ะทำทำยังไงวาหลักการในาศาสนาพุทธเนี่ยให้เราดูสีห้านะสีห้าเป็นเรื่องของการพยายามสอนให้คนคุมความโลภคุมตันหา เพราะอะไรเพราะว่าการค่าสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็น่าพระโลกรักทรัพย์นั้นก็เรียกว่าเกือบโลกทั้งร้อยนะะโลกหลงนะฮะทั้งโลกทั้งลกพระพุติผิดในทางประเวณีมันยับแย่มากๆแล้วนะฮะ แ, แต่บางทีที่คุมขืนก็ทำจำรอยยิ่งไปใหญ่เลยนั้นเป็นอาการของโลกแบบง้อๆคือไม่มีอะไรคุ้มทักอย่างเนะี่ย เพราะอะไรเพราะว่าความสุขที่ได้จากพระพุติเจตน์นั้นเป็นสุกร้อนนะะมันไม่จะสุขเอ็นเป็นรู้สึกคึกขนองตามใจกิเลสไประยะหนึ่งมันเปลี่ยนเป็นเราจะเห็นว่าราคะเผาหลนก่อนแล้วก็จบลงด้วยความทุกข์จบลงด้วยอันตรายจบลงด้วยเวรภยัย จบลงด้วยความไม่ปฏิดสารใจคือเดือดร้อนใจไม่ได้มีความสุขเป็นปัญหาที่น่าห่วงเพราะว่าสังคมในโอกาสต่อไปถ้าเราสังเกตทิศทางความคิดนะฮะความคิดของคนที่มีการสัมภาษณ์มีการแส ด, แดงมีการขีดเขียนแม้แต่ระดับนักประชาการระดับครูบาอาจารย์ต่อไปพวกนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาไป พอถึงจุดนั้นก็ก็เรียกว่าตัวใครตัวมัน น, นะนะฮะคนเรามาด้วยกรรมเขาหนอยู่ด้วยกรรมของตนก็จับไปด้วยกรรมของตนการโกหกส่วนใหญ่มันก็มาจากโลภะการเสพสิ่งเสพติดเนี่ยทั้งโลภะทั้งโมหะจัดทั้งคู่นะฮะทั้งโลภะทั้งทั้งโมหะจัดทั้งคู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัญหาเรื่องการมเนี่ย เป็นปัญหาที่ถาวรแต่ว่ายังไงโลกเราไมาเป็นกรรมภพทำยังไงว่ากํากับกํากับเจตนาลมในการต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นแล้วก็ควมทิศทางในการแสวงหาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นให้อยู่ในกรอบของกฎหมายกรอบของศีลธรรมกรอบของมโนธรรม อย่าให้สิ่งเหล่านั้นเกิดจากบาปในทุกขั้นตอนของชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เรามากมาอย่างไงเราก็ครอบครองได้ตลอดไปไม่ได้นะแต่บาปกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลตลอดไปวันการคิดมันก็ต้องอาศัยบุคลคุณหารดูว่าจะทำอย่างไงจึงมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ในเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายท่านในภพผินเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็พระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงใช้เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการเทศการสอนชาวบ้านแต่ว่าตามปกติแล้วเพราะสุนุเคราะห์โลก จึงไม่ได้ปรารบคนเหล่านี้คือเราจะเห็นว่าไมไ่ระบุคนเหล่านี้นะเป็นระบุถึงจิตสภาพจิตที่ถูกครอบงําด้วยกิเลสใครก็ไม่รู้ใครก็ได้เพรเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วแต่ถ้าเราถามว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่ามีเรียบร้อยเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นในส่วนใดของโลกโดยการกระทําของใครแต่กันเอง มันความเปลี่ยนแปลงในโลกที่จริงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหมายความอาการของกิเลสก็เป็นอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนที่คนเป็นที่เวลาเปลี่ยนที่สถานที่แต่ว่าเจตนาลมพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับกุศลหรืออกุศลแต่นั่นเองอาการของอกุศลก็เป็นอย่างนี้ทุกทีอาการของกุศลก็เป็นอย่างนี้ทุกที มีความยิ่งความหย่อนการตามสังควรแก่กรณีต้องฟังเน่ า, านไรเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาทิงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพบูร์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังเท่ายหโดยทั่วกันสวัสดี